ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านขวางทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้นำเอาพระสูตรซึ่งเราถือว่าเป็นหลักในการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั่นก็คือหลักในมงคลละสูตรข้อความในมงคลละสูตรนั้น มีในตอนต้นว่าเมื่อพระพุทธมีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศตะวันเมืองสาวัตถีในเวลาราตรีคืนหนึ่งเทวดาทั้งหลายได้ข้ามาเฝ้าพระพุทธมีพระภาคเจ้าและเทวดาตัวหนึ่งก็ทำประเชศตะวันทั้งปวงให้สว่างและข้าวไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ได้กราบทูลว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้พากันคิดมงคลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจัดบอกมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงแสดงมงคล38ปประการเริ่มต้นจากการไม่ครบคนผ่าน ไปจนถึงจิตกเกษมปราศจากโยคะในที่สุดพระสูตรเหล่านี้เป็นการแสดงธรรมะในลักษณะเหมือนกับบัรไดมุ่งพัฒนาปเจกชนแต่ละคนขึ้นไปจนถึงเป็นพระยะบุคคลระดับสูงในทางศาสนาโดยเนื้อหาจริงๆแล้วก็รวบรวมออกคำสอน ในพุทธศาสนาทั้งหมดไว้ในรูปหนึ่งในลักษณะหนึ่งเมื่อมีการอธิบายเชื่อมโยงกันก็สามารถประสานสัมพันธ์กับพระสูตรเหล่าอื่นเป็นอันมากให้เป็นหนังสือที่ยึดครองสังคมไทยมาตั้งแต่โบราณในการเพราะมีท่านที่เป็นพระเทรักของเรารูปหนึ่งคือพระสิริมังคลาจารย์ แต่นําอัลประสูตรและอัตรกระถาของประสูตรนี้มาที่ปายเรียกกันว่ามังกรัตถีปณีหรือมงคลทีปณีมังกรัตถีปณีหรือมงคลทีปณีนั้นก็คือการแสดงเรื่องที่เป็นมงคลเท่านั้นเองเป็นหนังสือที่แพร่หลายในรูปแบบต่างๆหลายรูปแบบแต่ก็จริงมันก็สักแต่ว่าสวดได้ท่องได้จําได้ ผลคือความเปลี่ยนแปลงจริงๆตามเป้าหมาแห่งประสูติก็ไม่เกิดขึ้นแนถาประสูติเหล่านี้ได้เล่าถึงความเป็นมาก่อนที่จะเกิดประสูติคือเป็นการย้อนถอยหลังไปไกลจากประสูติที่แสดงมาแล้วจะพบว่าเวลอย้อนหลังไปนั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะทรงย้อนให้เองถากว่าในเรื่องเกี่ยวพันถึงอดีตที่ไกล แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเกิดขึ้นทางสังคมแล้วก็มันสะท้อนอะไรให้เราเห็นพฤติกรรมของบุคคลทางสังคมในยุคในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีว่าในคราวหนึ่งได้มีกระถาคือคำประรบหรือคำพูดเกิดขึ้นในชุมนุมชนแห่งหนึ่งก็ตั้งปัญหาถามขึ้นมาว่าอะไรที่ได้ชื่อว่าเป็นมงคลสูงสุด ซึ่งในสมัยนั้นเขก็มีการเชื่อถือกันในรูปแบบต่างๆแต่หาข้อยุติยังไม่ได้ว่าอะไรที่เป็นวงค์คที่แท้จริงในที่สุดคนซึ่งคนอื่นก็เชื่อถือพอสมควรสามารถพูดจาโน้มน้อมให้คนอื่นเห็นตามคล้อยตามตนได้ก็เสนอขึ้นมาว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตานั่นเองชื่อว่าเป็นมงคล แต่ก็มีคนคัดค้านว่าถ้าสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเป็นมงคลแล้วสิ่งนั้นจะต้องเป็นมงคลทั้งหมดแต่เขาจริงๆสิ่งที่เราเห็นนั้นก็ไม่ได้เป็นมงคลไปทุกอย่างบางอย่างก็เห็นดีบางอย่างก็เห็นไม่ดีเพราะฉนั้นจึงอาจจะเป็นมงคลบ้างเป็นอัปมงคลบ้างเมื่อคัดค้านเพื่อนแล้วก็เสนอความเห็นของตนออกไปว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั่นเองเป็นมงคล ึงก็ต้องมีคนค้านอีกเพราะว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นไม่ได้เป็นมงคลเสมอไปบางครั้งก็เป็นอัปมงคลที่รุนแรงแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นมงคลได้แล้วเขาก็เสนอว่าเรื่องที่เราทราบนั่นเองเป็นมงคลก็มีคนเขาก็คัดค้านอีกเช่นกันว่าเรื่องที่เราทราบบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีเพราะนั้นจะชื่อว่าเป็นมงคลไปทั้งหมดไม่ได้ อย่างไก็ตามคนเหล่านั้นเมื่อเขาเสนอทฤษฎีของเขาขึ้นมาแล้วก็พูดจาชี้แจงให้คนอื่นก็เห็นตามคล้อยตามความเห็นของตนที่แสดงออกมาในที่สุดก็มีการเกาะกลุ่มกันเป็นสามฝ่ายด้วยกันจุดมงคลเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะพบว่าในตามพระพุทธศาสนาแม้ในตอนนี้คือพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงแนวนั้นก็ตาม แต่ถ้าเรามองในพระสูตรอื่นๆเช่นว่าอนุตริยสูตรเป็นต้นเช่นเหล่านี้ก็เป็นมงคลได้เหมือนกันแต่ก็เป็นการเจาะจงบีบเอาเฉพาะสิ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจเช่นว่ามีศรัทธาบาังเกิดขึ้นมีความผ่องใสบังเกิดขึ้นมีปัญญาติดตามมาสามารถขจัดความรู้สึกถึงเป็นกลุ่มของกิเลสลงไปได้ ในอนุตตริยสูตรนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงทัศนาอนุตตริยะที่ความเห็นอย่างยอดเยี่ยมซึ่งได้แก่ความเห็นได้พบได้เห็นพระรัตนตรยัยเป็นหลักใหญ่นะฮะแต่ก็ทรงแบ่งให้ดูว่าก็มีอยู่สองฝ่ายคือเห็นบางอย่างก็ไม่ยอดเยี่ยมเห็นบางอย่างก็ยอดเยี่ยมการเห็นทรัพย์สมบัติเห็นสิ่งของต่างๆมันก็เยี่ยมในระดับหนึ่งก็ดีในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่า แต่ที่จะเพิ่มคุณธรรมความดีมันกลับเพิ่มกิเลสเพิ่มความโลภเพิ่มความโกรธเพิ่มความหลงขึ้นมาผู้ศาสนาพูดไปพูดมาก็ต้องอะไรก็ต้องให้ให้ลดกิเลสได้ก็แล้วกันาการเห็นพระพุทธเจ้าก็ดีเห็นพระธรรมก็ดีเห็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบก็ดีดั้นคุณล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดเป็นมงคลชื่อว่าเป็นการเห็นอย่างยอดเยี่ยม จากจุดของการพบเห็นเหล่านั้นนั่นเองถ้ากว่าบุคคลสามารถเดินหน้าทางความคิดได้ก็พร้อมที่จะทำตนให้สัมผัสผลในทางรุธศาสนาได้จากจุดธรรมดาสามัญจนถึงจุดสูงสุดในทางศาสนาจุดเริ่มต้นของการเห็นร ของบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ก็เกี่ยวข้องกับพระ ธ, ธรรมพระสงค์อยู่ตลอดแต่นี้ในเรื่องของการฟังอย่างยอดเยี่ยมก็มีเป็นการเรียกว่าศสานานุตริยะแต่ก็ไม่ได้ใช่ว่าเป็นมงคลไปว่าฟังอย่างสูงสุดหรือยอดเยี่ยมเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราฟังนั้นดีบ้างไม่ดีบ้างกลางกงบ้างแต่การฟังที่ยอดเยี่ยมนั้นได้แก่การฟังธรรมซึ่งนําไปสู่การบรรเทากิเลส เราต้องมีผลไปในแนวนี้คือมีลักษณะที่สืบเนื่องกันมีการฟังธรรมซึ่งมีลักษณะน้อมนำให้บรรเทากิเลสท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าการฟังธรรมบางครั้งบางคราวก็ไม่ได้ลดความรุนแรงของกิเลสแต่จะเพิ่มกิเลสให้บังเกิดขึ้นภายในใจการฟังในลักษณะนั้นก็ไม่เป็นการฟังที่ยอดเยี่ย ม, มก็หักมาอีกแนวหนึ่งอย่างที่ทรงแสดง ถึงประเภทของคนฟังธรทำประมานก็ของวางไว้ข้างหน้าบ้างวางไว้ในตักบ้างวางไว้ในพวกวางวา ง, ว, ว, วางไว้ที่ชายพกบ้างลักษณะเหล่านี้ก็แตกต่างกันออกไปของวางไว้หน้าตักพอลุกขึ้นมันก็วางไว้ตรงนั้นของวางไว้บนตักพอลุกขึ้นของก็หล่นหมดแต่ของวางไว้ในชายพกหรือในกระเป๋านั้นก็จะติดตามตัวไปด้วยเรื่องที่เราฟังก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบางครั้งก็เป็นอย่างนั้นเอง คือไม่สามารถที่จะกําหนดจดจําเรื่องไรไปได้ก็ไม่เป็นการฝังจอยงยอดเยี่ยมตทีนี้เรื่องที่เราทราบนั้นเจอพบว่ามันก็มีทราบยอดเยี่ยมก็มีทราบที่ไม่ยอดเยี่ยมก็มีแต่การทราบซึ่งถึงสิ่งที่เป็นความจริงอันแท้จริงในจริงนั้นๆก็ถือว่าเป็นเป็นมงคลได้แล้วก็เป็นการทราบที่ยอดเยี่ยมได้ ข้อที่ควรสังเกตดีประการหนึ่งก็คือการใช้ถ้อยคําเรามักพูดว่าได้ยินได้เห็นเอ๋ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาเราพูดกันเรื่อยๆโดยความหมายทางลุทธศาสนาแล้วทราบกับรู้นั้นไม่เหมือนกันทราบเราทราบทางประสาทสัมผัสสามนะฮะเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูทราบกับโดยจมูกลิ้นกายรู้ก็รู้ได้ใจการใช้คําน้อยๆแต่ว่ากินขอบข่ายความหมายมาก คือได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นเป็นต้นดูแล้วก็พูดนิดเดียวนะฮะแต่ว่าขอบข่ายเนื้อหานั้นได้ครอบคลุมการพูดทั้งหมดเอาไว้ว่าแหล่งของสิ่งที่เรานํามาพูดจะต้องเกิดจากภาษาสัมผัสของเราจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับภาษาสัมผัสของเราที่รับรู้แล้วก็เก็บเรื่องเหล่านั้นเอาไว้แล้วทีนี้อีกประการหนึ่งก็คือว่า ลักษณะทางสังคมเป็นการกําหนดในความเปลี่ยนแปลงของบุคคลภายในสังคมมีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กันเราจะว่าจะจะพบว่ายุคสมัยบางยุคบางสมัยโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือยุคก่อนพุทธกาลประเทศอินเดียก็ดีกรีกก็ดีอียกุปหรืออียจิกก็ดีแล้วก็แม่จีนก็ดี เป็นยุคของอารยธรรมในด้านวัฒนธรรมกับศาสนาปรัจญาได้เกิดขึ้นสูงสุดของโลกคือเรียกว่าถ้าถ้าผานก็โลกได้ผ่านช่วงโค้งมาแล้วนะฮะช่วงโค้งสูงสุดมาแล้วในด้านนี้ก็มีแต่จะต่าลงไม่ได้เพิ่มขึน้นโดยเฉพาะประเทศอินเดียถ้าเราเทียบเหตุเกิดบงคลก่อนพุทธกาล ก่อนจะถามปัญหานะฮะก็ก่อนนั้นมาส2องปีคนได้เริ่มคิดที่จะหาความรู้ซึ่งลึกซึ้งลงไปแนวโนมัตยาสายของคนในสังคมจึงผิดปกติกับที่เราพบเห็นในปัจจุบันคือเป็นปกติสำหรับท่านแต่เป็นอปกติสำหรับเราสาหรับยุคสมัยของเรา คือคนจะสนใจศึกษาประยญาิชีวิตมากที่สุดแล้วสิ่งที่นํามาคิดมาค้นกันมากก็คือว่าทําอย่างไรจึงอยู่อย่างมีความสุขในปัจจุบันได้และทําอย่างไรจึงจะมีความสุขในภายหน้าได้และทําอย่างไรจึงหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เป็นคําถามที่เราคอยคําตอบกันมาตลอด บรรดามหาุาสีทั้งหลายถึงเป็นมหาฤาษีผู้ใหญ่แปดตนปรากฏอยู่ในคมภีร์พระพุทธศาสนาเราก็ปรากฏยุบมากท่านก็พยายามคิดค้นกัน้วยประการต่างๆแต่ท่านก็ออกมาได้แค่คำภี์ประเวทและต่อมาก็มีนักปรัชญาเราอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพวกครูทั้ง6บางท่านก็เก่งไม่ใช่ธรรมดาและในครูทั้ง6ท่านนั้นเองก็มีท่านนิโครณ น, นาตบุตรหรือท่านวัตถมานและมหาวีระ มีความรอบรู้ที่ล้ำออกมาคือสลัดตัวเองหลุดพ้นจากพันธนาการของอำนาจเบื้องบนเพราะความคิดของคนในยุคแรกนั้นจะผูกพันอยู่กับอำนาจเบื้องบนทั้งหมดคล้ายคล้ายกับนักประจาของฝรั่งนะฮะนักประดาของฝรัง่งไม่ว่าฝรั่งคนไหนก็ตามไม่เคยสลัดตัวเองหลุดจากแอกพระเจ้าคือถูกครอบด้วยแอกพระเจ้ามาตลอดคนเก่งๆขนาดว่าเอมานูเอลคานถึงถือว่าเป็นนักประดาที่เก่งมากของฝรัง่ง แต่คิดไปคิดมาแก่ก็ติดอยู่ที่พระเจ้าคือคือสลัดตัวเองไม่หลุดแต่พอมาถึงท่านมหาวีระหรือท่านวัฒมานั้นสลัดตัวเองได้หลุดจริงๆไม่มีความผูกพันกับอำนาจเึ้งบนใดประการใดแต่ก็ยังติดในอำนาจสูงสุดนะในในสภาวะสูงสุดคือสภาวะสุดท้ายได้แก่การมีสุขอยู่ชั่วนิรันดรในสภาวะที่ท่านเรียกว่าใ น, นพ่าน ประชาชนส่วนมากจึงสนใจเรื่องการกระทํากับชีวิตในในภายหน้าแบ่งไปสองช่วงดังกล่าวปัญหาที่ถกเถียงกันจึงเป็นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่จะแก้ปัญหาชีวิตจนถึงกับเพื่อเกิดความมั่นใจในวิถีชีวิตของตนคนก็แบ่งแบ่งชั้นของชีวิตเป็น4ช่วงของชีวิตด้วยกันแล้วก็มีอิทธิพลครอบงำสังคมไทยเราไม่ใช่เบานะฮะความคิดแนวเนี้ย จนออกมาแม้ในสุภาษิตพระร่วงก็อาศัยพื้นฐานความคิดที่เราได้มาจากพวกพราหมณ์คือแบ่งชีวิตเป็นตอนแรกเรียกว่าพรหมจารีมีหน้าที่ศึกษาแลาเรียนตามตามวันณะของเขาแล้วก็พอโตเป็นผู้ใหญ่เขาเรียกฤหัสคืออยู่ครองเรือนบ้านก็เรียกฤกหัสแล้วก็ตั้งตัวเป็นหลักฐานคือดูที่หัวบนศีรษะกัน ถ้าผมงอกแล้วก็เริ่มคิดแล้วชีวิตข้างหน้าน้อยท่านเหล่านั้นก็จะเริ่มแสวงหาบุญหรือสร้างสมบุญกุศลเอาไว้มอบทรัพย์สมบัติใดตรออไรให้ลูกดูแลกิจการต่างๆให้ลูกดูแลแล้วตัวเองก็จะไปบำเพ็ญบุญไหว้บุญญาณทีอาบน้มในแม่น้าศักดิ์สิทธิ์เรีดาววาไลาไปสนทนากนักปร า, ราปรดรชบัณฑิตต่างๆ ทศัทธามั่นคงในการอยู่อย่างนั้นมากขึ้นท่านก็ออกบวชเราเรียกว่าสันยาสีก็วิธีชีวิตก็มีเป็น4ี่ช่วงแต่ว่าท่านเหล่านี้ถ้าไม่พร้อมจะบวชก็กลับมาครองเรียนแต่จะเน้นไปในการศึกษาปฏิบัติธรรมะเพื่อให้ได้ความสุขในชีวิตของตนมากยิ่งขึ้น สมเด็จพระมหาสมณเาจ้ากรมพระยาิัายาโบรดได้ทรงสรุปด้วยค้อยคําง่ายๆว่าคนสมัยนั้นสนใจธรรมมากและปัญหาที่เขานํามาสนใจจริงๆก็มีอยู่สองประเด็นเนี่ยที่ว่ามาแล้วคือเรื่องการกระทําที่เป็นเหตุให้ได้รับความสุขกับสภาพชีวิตในโลกหน้าว่าเป็นยังไงแล้วก็เป้าหมายสูงสุดนั้นก็คิดกันมานานนะฮะมานานมาก่อนพุทธกาลนานประมาี่พันปีมาแล้ว ที่ ท, ท, ที่คือไอ้คำว่าสี่พันปีนั้นหมายความไอ้ร่องรอยที่เราพบหลักฐานโลกมันมาไม่รู้ธกิจผ่านล้านปีมาแล้วแต่เราก็พบได้ขนาดนั้นก็พูดกันได้ขนาดนั้นแต่ความคิดของคนที่แสดงอะไรขึ้นมาก็ตามนะฮะเพราะว่าลักษณะาทางความคิดยังไงก็ตามถึงถึงแม้จะพุ่งหาเป้าเหล่านี้แต่ก็สับสนในด้านเป้าหมายและกรรมวิธีและวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย ใครเสนออะไรขึ้นมาเป็นรับทั้งหมดเลยจะมีคนกลุ่มหนึ่งแกรับของแกได้ตลอดเลยอย่างว่าคนเสนอที่สนุกที่สุดนั้นก็คือท่านสัญชัยปริภาชกนะฮะคือขณดท่านเสนอแล้วท่านเองก็คงจะไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะฟังคลาดคลากับความขวัญที่เราให้เด็กไว้ตัวเองก็จำไม่ได้เหมือนกันนะในปัจจุบันท่านเสนอว่า คืเป็นเล่นคําไม่เฉยๆนะจะว่าใช่ก็จะว่าใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลยคืท่านพูดอย่างเงี้ยท่านพูดมั่วไปหมดแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนนับถือความเห็นท่านเป็นลูกศิษย์นั่นก็คือความสับสนในด้านความคิดของคนที่ผู้แสวงหาทั้งหลายนะฮะ เมื่อยังไม่มีทิศทางอะไรที่แน่นอนการแสงหาก็สับสนอย่างนี้ว่านพอถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับมงคลเข้าก็เหมือนกันคือมาอตะเพาเดียวกันคนสามารถจะหาประโยชน์จากข้อคิดที่เป็นมงคลได้คนทั้งสามจึงเสนอแนวความคิดแล้วก็มีคนยอมรับนับถือได้เกาะกลุ่มกันได้แต่ก็หาข้อยุติไม่ได้คนก็ยังที่สอบถามกันแล้วกในขณะเดียวกันสามกลุ่มนั้นก็มาต่อล้อต่อเถียงกันว่าฉันถูกแกผิด แต่ฉันถูกมากกว่าแกแกผิดมากกว่าอะไรต่าอะรเนี่ยก็ประชาชนทั่วไปก็ยังสับสนจึงไม่มีศาสนิกในศาสนาไหนที่แน่นอนลงไปคือตายตัวจะมีการสแสวงหาอยู่เรื่อยๆแม้พระในพระพุทธศาสนาเราก็จะไปสนทนากับนักบวชนอกศาสนานังบวชนอกศาสนา ก, ก็มาสนทนา ก, กับพระมาแลกเปลี่ยนกับพร ะ, ะใครมีน้ำหนักมากกว่ามีเหตุผลมากกว่าก็จะดึงดูดอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาเป็นพวก แล้วก็ไม่ไถือว่ามีการยื้อแย่งาศาสนิกอะไรกันเพราะแต่ละตัวแต่ละบุคคล น, นั้นยังไม่มีฐานอะไรที่มั่นคงอะไรใครสามารถที่จะให้เหตุผลหลักฐานโน้มน้อมให้คนอื่นก็เชื่อถือได้อีกฝ่ายหนึ่งก็จะกลับมาเป็นพวกเหล่านั้นวันใดที่มีแม่หล็กดูดมาจากอื่นแรงแกก็หักเห อ, ออกไปอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าอุบาสกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเพื่อนของท่านนาถบินิกเศรษฐี วันดีคืนดีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ประเทศตวันทั้งมองฟังททั้งเช้าทั้งเย็นพอพระพุทธเจ้าเสด็จออกสู่ชนบท8เดือนหลังพรรษาท่านเหล่านี้ก็ห่างพระพุทธเจ้าปล่ยใจมันก็ไปโน้มเอียงเข้าหาละทิเดิมความเชื่อเดิมก็เข้าไปเดิมพระพุทธเจ้ากลับมาท่านก็จากกัลล่นกลับมาอีกก็กลับไปกลับมาอย่างนี้จนกว่าอะไร ท, ท, ท, ที่ที่ที่มันหนักกว่านะ หนักกว่าราบซึ้งตึงใจมากกว่าท่านก็ตั้งหลักอยู่ในที่เหล่านั้นได้ความคิดเรื่องมงคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต่อมาการถกเถียงเหล่านี้ก็ยืดเยื้อมาราทอนไปเป็นความสนใจที่จากมนุษย์ถึงเทวดานะคือถึงพรหมโลกไปเลยในที่สุดหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็ู้ไปแล้วนะฮะ ค, คือเหเหตุนี้มันก็เกิดขึ้นก่อนนั้น ก่อนจะสดแสดงเรื่องมงคลนี่สิบสอปีเลยก็หมายความว่าคงจะเกิดแถวๆพระพุทธเจ้ากำลังแสวงหาบุคคธรรมอยู่เหมือนกันเพราะเพราะอะไรเพราะเราเทียบปีทเทียบศักราชดูว่าพระเจ้าตะวันเนี่ยไปสร้างอยู่ประมาณสัก67ปีหลังพระพุทธเจ้าศัสรุเพราะในช่วงแรกพระพุทธเจ้าจะเผยแผ่ศาสนาอยู่แถวอังคากมคตแล้วก็ย้อนกลับมาที่สักกะยังไม่ไปสู่สาวัตถีสาวัตถีเป็นการ เผยแผ่ที่หลังคือหลังจากมาเยี่ยมพระพุทธบิดาแล้วตรณนาตบินธิกาเศรษฐีจึงมาราธนาไปสู่สาวัตถีเหตุการณ์ในช่วงนั้นถ้าเทียบปีกันดูนะฮะเขาไม่บอกพศเอาใบละแต่เทียบปีกันดูก็คงจะอยู่ในช่วงที่พระพุทธเจ้าเองก็แสวงหาโมกขธรรมอยู่นั่นเองกถาเรื่องมงคลก็เกิดขึ้นในสุดคนเหล่านั้น ก็สอบถามกันไปเรื่อยๆใครก็ตอบไม่ได้ก็ถามเรื่อยไปจนเป็นถึงเท้าสะกะ่าเทวราชท้าสก่เทวราชนั้นท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่มีใครบอกได้นะฮะแต่ท่านคงไม่รู้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้ท่านอาจจะตอบได้บางข้อบางประการท่านก็เป็นชื่อว่าสหัสเนตคือสามารถจะคิดความสิ่งต่างๆได้คราวเดียวประโยคเดียวคิดได้ร้อยในพันในคือในยต่างๆได้ ดาส่าสไนดุส่าเส น, สสเนเท่านก็บอกว่าเราไม่น่าจะมาเถียงกันเองตอนนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ใดเมีคนกราบทูลก็บอกว่าเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันดีกว่าแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าท้าวส ก, กะเทวราชเองจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ละคราวดันไม่ค่อยกล้ามาตรงๆคือจะมีคนเข้าไปเฝ้าให้ก่อนไปกราบทูลให้ก่อน ขอประธานพุทธานุญาตเข้าเฝ้าแม้ในเรื่องสั ก, กปรนสูตรก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นการชี้เห็นถึงความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างสูงเพราะท้าวสกะองค์นี้นะฮะก็เป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดมากกับพระพุทธเจ้านี่เอาขนาดว่าเวลาพระเจ้าประชวรก็มาพยาบาลเองรักษาเองที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเวลา ประชวนพระไม่ต้องพยาบาลพระท้าสกะจะมาพยาบาลเองเออปัญหามงคลเหล่านั้นในช่วงแรกแรกคือประมาณสักเจข้อ8ข้อด้วยกันถ้าท่านลองสังเกตว่าก็ไม่ใช่8ข้อละสิข้อนะฮะข้อเป็นเรื่องของการพัฒนาปัิเจกิจชนแต่ละคน เป็นระบบพัฒนาคนแต่ละคนคือคือสร้างเอมงคลให้เกิดแก่คนแต่ละคนได้แต่ก่อนไม่จะไปสร้างมงคลของของสังคมอย่างอย่างที่เราพูดกันในปัจจุบันเรื่องบาวินัยภายในชาติเราเรียกร้องวินัยภายในชาติเราไม่คิดวินัยภายในคนวินัยภายในชาติมันเกิดจากวินัยภายในคนคนภายในชาติไม่มีวินัยวินัยภายในชาติมันจะเกิดขึ้นไม่ได้วิธีการของพระพุทธเจ้าไม่จะเริ่มทีเดียวจากจุดใหญ่แต่จะเริ่มจากจุดย่อยทั้งหมดเลย เป็นวิธีการทำธรรมชาติทั้งหมดดูแล้วคล้ายๆก็ไม่พูดปราดอะไรเท่าไร่แต่วิธีธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเราไม่สามารถจะทําอะไรจากจุดใจได้แต่เราจะต้องทําจากจุดย่อยคือสร้างจากจุดย่อยไปจุด เ, ดเล็กๆธรรมะจึงมีลักษณะขัดเกล่ายังที่บอกอยู่เสมอว่าต้องขัดเกลวคือไปกันทีละนิดทีละหน่อยก็ไม่รู้เลยจะได้เท่าไหร่ยถาสติยาถาพลังบางทีนั่งกรรมฐ า, านมาตั้งเดือนหนึ่งไม่เคยสงบเลย มันก็ขัดกราวกันไปเรื่อยๆตัวสงบมันอยู่ลึกตัวฟุ้งมันอยู่มากก็ขัดฟุ้งออกไปมากๆในที่สุดความสงบก็คงจะเกิดขึ้นสักวันหนึ่งถึงแม้จะยังเกิดไม่สงบแต่ความเจือจางเบาบางของกิเลสก็จะบังเกิดขึ้นบุคคลเหล่านั้นจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่จริงก็ต้อ ง, ต, องต้องมีการบอกบางแถ้าหากว่ายังไม่แสดงออกมาทางพฤติกรรมได้ก็หมายความว่าภายในมันก็หนาหน่อยก็ขุดๆกันไปเรื่อยๆ ในโอกาสหนึ่งก็จะดีขึ้นมาเองซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าเวลาการเก็บการสะสมกิเลสมันสะสมมานานนะ่ะสะสมกิเลสมามากกว่าสะสมธรรมะเพราะงั้นธรรมะอาจจะอยู่ลึกไปหน่อยกิเลสมากไปก็พยายามกูดกูดกันไปในที่สุดกิเลสก็จะเบาบางลงใช้คำว่าเบาบางแล้วก็ใช้คำว่าบรรเทานะฮะมักมักใช้คาว่าบรรเทา แทนที่จะใช้คำว่าละหรือดับแต่รับละดับแล้วจะจะพูดชั้นสูงแต่ว่าชันนี้จะลานะพูดบ้างนะแต่ว่าจะพูดเป็นจุดเป็นจุดจุดนั้นั้นให้ละอย่างนั้นให้ละอย่างนั้นเป็นจุดไม่จะไปเป็นละผึบ ป, ปรับเวละเป็นจุดจุดไปแล้วก็บรรเทาในหลายๆจุดลดความรุนแรงในหลายหลายจุดแก้ปัญหาจากปัจเจ ก, กชนเป็นต้นไปแล้วก็เดินเข้าหาสังคม ที่จริงสังคมเราไม่ต้องพูดถึงก็ได้นะฮะไม่ต้องพูดถึงก็ได้ก็เป็นกระบวนการของแนวปัจจัยการเช่นเดียวกันอย่างที่เคยพูดมาในใต้ร่มโพธิญาณไอสิ่งทั้งหลายมันก็อยู่ในกฎของปัจจัยการสังคมก็คือปัจเจกชนในหลายปัจเจกชนมารวมกันก็เป็นสังคมว่าปัจเจกชนแต่ละคนมีวินยัยจะคุมตัวเองได้สังคมก็เป็นสังคมที่มีระเบียบวินยัยก็กลายเป็นวินัยภายในชาติขึ้นมาโดยอัตโนมัตินี้ก็คือหลัก หลักที่เป็นความจริงแล้วก็เป็นเช่นนั้นแต่พอพูดเป็นกระบวนการมันก็พูดเป็นกระบวนการคล้ายๆกับอวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารนะฮะเอาก็จริงคื อ, ค, อคือจะพูดเรื่องอวิชาอย่างเดียวก็ได้ม่พูดใด้ตลอดทั้งกระบวนการจริงๆคือไปจนถึงทั้งสิบสองหัวข้อต่อใหญ่ๆแล้วก็หมุนเป็นวงกลมก็ได้ขึ้นอยู่กับเราจะพูดในแนวละเอียดหรือว่าแนวที่ไม่ค่อยละเอียดแต่นั้น แต่จะพูดหรือไม่พูดเมื่อเริ่มต้นถูกทางต่อไปเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองเราไม่ต้องไปไปไปสร้างเงื่อนไขอะไรขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่แล้วภายในใจของเราก็ดีภายในธรรมชาติก็ดีเพราะ ง, งั้นถ้าเราแก้ปัญหาจุดย่อยได้ในแต่ละจุดเราก็ชื่อว่าชื่อว่าแก้ปัญหาจุดใหญ่ได้ส่เงเริ่มต้นด้วยคำว่า อาเสวานาจะพาลา น, นังคือเงื่อนไขต่างๆนั้นท่านจะเห็นว่าสนวนบาลีใช้คำว่าอาเสวานาปัจจัยคือการส่องเสพการเกี่ยวข้องการพบการเห็นเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้คนดีหรือทำให้คนไม่ดีย้อทีกล่าวมาแล้วว่าลักษณะทางคังคมหรือผิดผลทางสังคมนั้นเกิดขึ้นจากไอเงื่อนไขต่างๆภายในสังคม ปัจจุบันนี้ตำรวจก็ถูกด่ามากนะอะไรแต่อะไรก็ถูกด่ามากแต่ามาเองกลับมองเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าสังคมเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องได้คนมาเป็นอย่างเงี้ยธรรมดาเลยเกินมันก็เบ้าหล่อหลอมมันเป็นอย่างนั้นเองเ บ, บ, บ, บ, บี้ยวบูบมันก็ออกมาอย่างเงี้ยจะทําไงทํามันก็เป็นวิบากอย่างหนึ่งนะเป็นวิบากอย่างหนึ่งที่สํานวนของพระอรหันต์ท่านมักพูดว่าเป็นโทษของวัตตะ โทษของวัตฏะแกหมายความว่ามันหมุนกันมาในแง่ของสงสารวัฏบนหมุนอย่างนี้เองอะ่ะหมุนอย่างนี้เอง เ, ออเป็นเงื่อนไขที่เราจะต้องยอมรับว่าถ้าพื้นฐานแกเป็นอย่างนี้แกต้องเป็นอย่างนี้ลักษณะทางครอบครัวเป็นอย่างนี้ลูกมาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าทํำยังไงเราจึางจะมองเห็นโทษว่าไปเป็นโทษแล้วก็ช่วยกันแก้ไข ไอ้ผ่านขั้นตอนมาขั้นตอนหนึ่งเรายังแก้ไขไม่ได้แต่ว่ามีคนรับผิดชอบในขั้นตอนอื่นก็ต้องช่วยกันแก้ไขเป็นที่น่ายินดีอยู่อย่างหนึ่งว่ามีการตื่นตัวขึ้นพอสมควรที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้พราะถคืนปล่อยให้ยืดเยื้อมาราธอนไปในแต่ละจุดนี่ก็ถึงจุดหนึ่งก็คงจะระเบิดคงยุ่งกันไปหมดเลยเพราะความอ่อนไหวทางสังคมแ้่ตั้งหลายจะเห็นว่าลักษณะทางสังคมนั้น ถ้าหากว่าให้สังคมเรียบร้อยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสังคมจะต้องไม่มีลักษณะกระตุ้นให้เกิดกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงหมอ่อมองแต่ว่าในบ้านเมืองเราเวลานี้มันตุ้นหมดเลยกระตุ้นหมดเลยทั้ง4จุดสิงที่ก่อให้เกิดความกำหนัดทั้งรูปภาพทั้งพฤติกรรมของบุคคลทั้งโปสเตอร์ทั้งเอวีดีโอทั้งภา พ, พยนตร์สารพัดหนังสือนาาังสสารพัดมันก็ไปเพิ่มเชื้อกิเลสไอความรุนแรงในสายนี้มันก็ออก ลักษณะที่ก่อให้เกิดโทสะความรุนแรงต่างๆจะพบว่ามันก็มีกระตุ้นกันอยู่ตลอดด้วยหนังสือหนังหาด้วยสื่อสารมวลชนด้วยการแสดงออกของคนทั้งหลายสิ่งแวดล้อมเป็นพิษนะฮะมันไม่ใช่มลพิษเฉพาะข้างนอกที่จริงคนเองก็เป็นมลพิษต่อคนด้วยกันหรือมลภาวะมลภาวะกับมลพิษในมลภาวะในชาวบ้านเขาพูดมดลพิษนี่ราบัณฑิตเขาพูดราบัณฑิตเขา ก็มองอีกแนวหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันเป็นมลทินทั้งหมดอหะแต่ว่าจะเป็นพิษรหรือไม่เป็นพิษมันก็ขึ้นอยู่กับไอ้ความเข้มข้นของของมลทินนั้นว่ามากพอถึงจะเป็นพิษรหรือไม่ถ้ายังไม่ถึงจุดที่เป็นพิษมันก็เป็นบุลภาวะแต่ถ้าถึงจุดที่เป็นพิษมันก็เป็นเป็นเบุลพิษไอ้สิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะเห็นว่าเมื่อเรารับเข้าไอ้ความกำหนัดมากขึ้นขัดเคืองมากขึ้นลุ่มหลงมากขึ้นประมาทมากขึ้น ในที่สุดมันกระท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงแล้วก็กระเทือนขวัญของสังคมอยู่ในแต่ละครั้งนะฮะบางครั้งบางคราวพระพุทธเจ้าก็เริ่มปรับปรับฐานสิ่งแวดล้อมและการปรับที่จริงให้สังเกตนะครับพระพุทธเจ้าปรับพระองค์เองมาตั้งแต่ต้นแล้วปรับพระองค์เองมาตั้งแต่ต้นแล้วโอ้ยอยู่อย่างนี้ไม่ได้หาทางแต่รู้ไม่ได้อยู่ในวังมั่งนั่งนับหนึ่งสองสามแล้วเห็นท่าไม่ได้ เกิดแก่ตายเกิดแก่ตายงั้นหรอแต่ธรรมะมันต้องเป็นธรรมณะแต่เป็นธรรมะนีอยู่ในวังไม่ได้หาทางตัดรู้ไม่ได้ก็เริ่มปรับพระองค์เองก็ปรับของพระองค์มาให้ถ้าถ้าเราลองดูว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนั้นไม่ใช่ทฤษฎีนะฮะคือภาคปฏิบัติที่ทรงปฏิบัติมาแล้วปฏิบัติมาแล้วสัมผัสผลมาแล้วแล้วก็รู้ดีรู้ชอบทุกจุดจริงเหล่านั้นจึง เ, เป็นศาสนา เป็นาศาสนาจริงๆแต่นักวิชาการก็พยายามที่จะพูดว่าเป็นปรัชาก็เถียงกันอยู่เนี่ยนี่กำลังปลายเดือนเนี่ยจะไปไประชุมสัมมนากันาที่เชียงใหม่เถียงกันให้มันรู้เรื่อ ง, งปรัชญาหรือว่ า, าศาสนาเนี่ยเอ่อเป็นความสับสนในด้านความคิดในด้านถ้อยคำนะฮะแต่เราจะพบว่าคําสอนในพุทธศาสนาไม่จะทิศจดีแต่เป็นการพูดจากภาคปฏิบัติโดยตรงไม่ว่าอะไร ก, ก็การปรับสิ่งแวลงดล้อมพระเจ้าเองก็ปรับ ปรับสิ่งแวดล้อมของพระองค์มาทุกจุดนะฮะทุกจุดจะทําอย่างนี้ต้องมาอยู่ตรงนั้นจะทำอย่างนั้นต้องมาอยู่อย่างนั้นพอถึงอย่างนี้ไอ้คนเหล่านี้มีเกี่ยวข้องไม่ได้บาเพ็ญทุกเรกกระยาคออยู่ในที่หนึ่งพราะบําเพ็ญทางกิจก็ต้องอยู่ในที่หนึ่งพอเริ่มจะได้เรื่องได้ราวขึ้นไอ้คนที่เข้ามาวุ่นวายเนี่ยถงเสียงโหนหูเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะนั้นท่านบัญญาวัคคีไปจึงเป็นความดีนะฮะ เป็นความดีถ้าถ้าท่านไม่ไปพระพุทธเจ้าก็คงจะบอกให้เธอขยับขยับไปไกลๆหน่อยหนูครัก็คงจะต้องบอกอย่างนั้นนี่ยเพราะรอะไรเพราะสภาพแวดล้อมเวลานั้นมีลักษณะกระแทกแป๊บเดียวไม่ได้นะกระแทกแป๊บเดียวเพราะใจยังคล้ายๆเราจะสงบไม่สงบนะสงบไม่สงบขึ้นมาเนี่ยบางทีท่านลองสังเกตนะครับว่าเรานั่งนั่งกรรมาฐานถ้าใครเผลอไอกันครวมเดียวสะดุ้งปั้งเลยนะมานั่งนับหนึ่งกันหไปไปหายเลย อ, อปัจจัยแวดล้อมนะฮะปัจัยแวดล้อมมีความสําคัญทุกจุดหมดเลยเวลาสอนในการบําเพ็ญเพียรทางกิตถ้าพอพูดเรื่องบําเพ็ญเพียรทางกิตพระพุทธเจ้าจึงยังชี้นนทนๆท์นโค น, น, น, นไม้นั่นทุ่งหญ้านั่นถ้ำนั่นภูเขาเนธะอจงไปหาความสงบที่นั้นทําไมฮะสับสภาพแวดล้อมแต่เม่อคืนนั่งกรรมฐานการคนเต็มไปหมดริมถนนในตันเป็นไปไม่ได้ในบ้านก็นั่งกรรมฐานไม่ได้ นอกจากว่าเราสามาัคคีกันใน่ี้ก็ช่วยกันสงบต่างคนต่างคุมตัวเองไม่มีปัญหาส่วนอุบัติเหตุการไอการจามมันเป็นเรื่องธรรมดาใครก็ห้ามไม่ได้มันเรื่องอนัตตานะฮะต้องมองให้เห็นตใจรักอันนี้เป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้จะเพื่อป้องกันอะไรป้องกันไม่ให้เกิดปฏิฆะขึ้นมาเดี๋บางทีไปรําคาญกับคนอื่นไอยทําไมมันไม่จะอยากไอหรอจําเป็นต้องไอ เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เราก็มองเห็นอีกปรายลักษณ์อีกแดงหนึ่งขึ้นไปทีนี้ปัญหาที่เราควรจะทําความเข้าใจคือลักษณะของคนผ่านครับพานลนิมิตรภาลปาธาตันชัยตวนบาลีนะฮะนิมิาาตนนรนะก็การกํากหนดหมายว่าใครเป็นผ่านเป็นบัณฑิตนี่มันจะดูกันยังไง อ, อันนี้ทรงแสดงไว้เยอะเลยพระพุทธเจ้าแสดงให้เยอะเลยแสดงที่เป็นรูปธรรมบ้างแสดงที่เป็นพฤติกรรมของเขาเองบ้างแสดง ถึงพื้นฐานทางจิตใจบ้างแต่บางทีพื้นฐานทางใจเราก็ดูไม่ออกนะเมื่ใครเป็นผานใครเป็นบัณฑิตชีมันก็จอมผานนั่นเองถ้าทางข้างหน้าเนี่เป็นบัณฑิตล้วเกินก็จริงแกก็เป็นจอมผานไปได้โบราณจึงต้องสอนควบคนดูหน้าซื้อผ้าดูเนื้อนี่ก็คือพยายามไม่ให้ละเว้นไปเกี่ยวข้องคนผานนั่นเองนะครับพฤติกรรมตั้งหลายมันก็สอนมาสอดคล้องประสานสัมพันธ์กันหนุนช่วยชึอกันเลยกันคนผานถ้าเราดูที่ การกระทําของเขานะฮะก็คือคนที่ประพฤติอยู่ในอกุศลกำหนดสิบอกุศลกำหนดสิบนี่เป็นสูตรนะฮะท่านทั้งหลายลองสังเกตคือมาอยัางมองอยู่เสมอมองว่าอะไรที่มันหลุดไปจากอากุศลกำหนดสิบม้างในความชั่วทั้งหลายไม่เคยหลุดไปนะฮะไม่เคยหลุดไปจากข่ายของความชั่วทางจากอากุศลกำหนดสิบเพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าเทศสําหรับพื้นฐานทั่วไปแล้วจะเทศเท่าเนี้ยเอาเงี้ยสิบข้อเนี้ย ลองลองดูที่อะไรต่ออะไรมันเสร็จแล้วมันจะไปสรุปอยู่ที่นะัโลกหลดหลงข้างล่างการมนโนทุจริตเนี่ยจะไปสรุปอยู่ตรงนั้นเองเอากศนก บ, บทสิบก็คือการเบียดเบียนกันทางร่างกายทางทรัพย์สินทางประเวณีอ่ะพูดกันในคําโก6พูดยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกพูดคําหยาบคายร้ายกาจเพื่อเจริญเหลวไห ล, หลอันนี้เป็นพฤติกรรมสามันนะฮะสามันเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่โลกมีคนมาแล้วแกไม่ตกสักชีหนึ่ง ที่จริงยังเมื่อเอชา้านไปออกโทรทัศน์ยังนึกจะพูดแล้วเราเมืองไทยไม่ต้องเอามากโดนนรงค์ศรีห้าพอแล้วโดนนรงศรีห้าให้ได้ลักษณะทางสังคมขอสข้อเท่านั้นเองรู้หน้าที่รู้สิทธิรู้หน้าที่ททมีวินัยไทยพัฒนาเป็นคำขวัญรดนนรงอย่างเงี้ยทุกเป้าเลยยิงข้าเป้าเดียวกันเลยไม่ต้องไปพูดมากเพื่อเจอเปลืองกระดาษเขียนกันเกลื่ยนงานเกิดเมืองแล้วลนตไทยไม่ บ, มบรรลุเป้าการศึกษาเอาสองเป้า สัมมาชีพสัมมาปฏิบัติสัมมาปฏิบัติแล้วสัมมาชีพโดยการที่ห้าท่านตั้ ง, ง, งไว้สัมมาปฏิบัติสัมมาชีพเอาสองเป้าเท่านั้นเองอย่างอื่นเกิดเองไม่ต้องไปนับข้อยาวๆเสียวเวล า, ลาพูดแต้มันสั้นๆแต่มันกินความมากๆเหมือนพระพุทธเจ้ารับสั่งสัมปปาปัสปะปะปะสะกระารนังการไม่ทําบาปทั้งปวงหมดแล้วนะฮะไม่เหลือบาปอีกถ้าบรรลุเป้าจริงๆก็ไม่เหลือบาปอีกแล้วนั่นคือวิธีที่เป็นพุทธภาติสท์ลักษณะของคนพาลก็คือ ในทางใจเราก็ไม่รู้เขานะฮะแต่ว่าโลภอยากด้าองคนอื่นก็ถามใจตัวเองได้ว่าชั้นใจชั้นนี่เป็นผ่านหรือเปล่าเนี้ยโลภอยากด้ของคนอื่นไม้พยาบาทปองร้ายคนอื่นไม้เห็นผิดจากทํานองครองทำไ ม, ม้ถ้าเกิดแว บ, บขึ้นมาตอนนี้เป็นผ่านแล้วนะเนี่ยเธอนะกระซิป บ, บอกใจตัวเองสอนใจตัวเองได้ตัวนี้ก็คือขอบขายลักษณะนะลักษณะหรือนิมิตเครื่องหมายของคนผ่านแต่บางครั้ง เ, ออเราอาจจะมองเห็นเช่นว่าแนะนําในเรื่องที่ไม่ควรแนะนํา กระทำในเรื่องที่ไม่ควรกระทำการแนะนำในเรื่องที่ไม่ควรแนะนำนั้นเป็นภารกิจของคนพาลอย่างหนึ่งซึ่งบางทีเราอาจจะอยู่ในฐานะของครูบาอาจารย์ก็ได้หรือเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเองก็ได้สอนนอกเรื่องนอกราวไปก็ไม่ใช่เป็นลักษณะของบัณฑิตแล้วนในความรู้สึกนึกคิดนั้นอันนี้เราวิเคราะห์ใจตัวเองได้เหมือนกันว่าคนพาลมีการเพ่งโทษคนอื่นเป็นกาลัง ก็จะมองเห็นโทษของคนอื่นอยู่เรื่อยไปแต่บัณฑิตซึ่งตรงกันข้ามนั้นจะมองดูโทษตัวเองเป็นกำลังลักษณะเหล่านี้ท่านทั้งหลายได้ลองสังเกตนะฮะเรื่องนี้ก็เล่ามาเยอะแล้วว่าพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์มีปัญหาอะไรก็ตามพระองค์จะไม่หาไอสาเหตุจากข้างนอกแต่จะหาที่พระไทัยของพระองค์เองตลอดไปเลยดูกันตรงนี้แหละแก้ปัญหากันตรงนี้แล้วก็แก้กันตรงนี้เพราะ ปัญหาเกิดแก่พระองค์สาเหตุก็ต้องอยู่ที่พระองค์ด้วยลักษณะาการเพ่งโทษปองเห็นโทษของคนอื่นแม้จะน้อยก็มองเห็นมากโทษตนมากก็จะมองเห็นน้อยนี่ก็คือพื้นฐานความคิดไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็เป็นอย่างนั้นสมัยพระพุทธเจ้าเองก็เป็นอย่างนั้นบางครั้งบางคราวเราจะพบว่าไปในที่ในที่บางแห่งนะฮะไปในที่บางแห่งอย่าวัน ก, นก่อนนี่ก็ไปทางภาคเหนะือ ก็ดูปัญหาบางบางปัญหาแล้วก็กระจุ n กระจิ๋มดีนะฮะถามหน้าเอ็นดูดีคือคือคือคนถามก็ลืมลืมถึงสถานะของตัวเองคือไปเอาอะไรกันเล็ก ๆ, ๆน้อยๆนะฮะเช่นเช่นว่าเห็นพระเดินสู่บุรีนะฮะก็มาตำหนิตีเทียนกันยหญ่โตจมคอขาดปาดตายไอ้ตัวเองเลิกดื่มเล่ายัางไม่ได้เลยไอ้เขาสูบบุรีเนี่ยจะเที่ยวกันเล้าแล้วมันห่างกันริบโลกเลย พระก็ลูกชาวบ้านเราก็ลูกชาวบ้านนะครัต่างคนต่างพยายามปฏิบัติไปผิดบ้างถูกบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะมันก็ควรเจนมองกันในแง่ของการให้อภัยไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าตัวเองรักษาศีลห้ายังไม่ได้เลยนะแล้วก็ไปต้องให้คนนั่นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้คนน้อนอย่างน้นะฮะเมืองไทยลองสังเกตนะฮะมาสังเกตมานานแล้วคนไทยในสั่งเก่งจังงานอะไรงานวัดบางทีนี่สั่งกันจนมั่วหมดเลยไม่รู้ต่างคนต่างชอบสั่งฮะสั่งกันแล้วสั่งกันอีก ไม่ค่อยมีคนทําได้มีคนสั่งให้ให้ลองดูนะฮะจัดการอะไรขึ้นมาสางงานแล้วจะเจอคนสั่งแยอะเลยคนนั้นมาสั่งอย่างนี้ควรทําอย่างนี้บางทีก็เป็นการเสนอนะตัวเองไม่มีอํานาจหน้าที่เอ้เนี่มันควรจะทําอย่างนี้นะทาอย่างนี้ดีนะบางทีเพื่อนทําไปแล้วยังอุตส่าห์มาสั่งต่ออีกไม่รู้จะทํำยังไงไม่กันทำเสร็จไปแล้วเลิกงานไปแล้วนะยังกลับมาสั่งอีกที ง, งานธรรมดาส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ผ่านมาตั้งนานยังมีคนมาสั่งอยู่เนี่ย สั่งให้ทําอย่างนั้นสั่งให้ทำอย่างนี้ผม ก, ก็ต้องปีหน้านะค่อยมาพูดใหม่ก็แล้วกันเดี๋ยวจะลืมมันเรื่องมันเยอะไดเกินแล้วก็ยินดีจะรับคําสั่งเขานะฮะแต่บอกค่อยมาสั่งใหม่ก็แล้วกันใกล้ๆงานครับ น, นะนี่ก็คือคนคนคนชอบสั่งและในที่สุดก็ไม่จะมีการเอคิดจะแก้ไขเปลี่ยนแปงลงในตัวเองนั่ก็คือลักษณะพานนะฮะแต่พานยังอ่อนหรือพานมากก็ตามก็คือเป็นคนพานอย่างหนึ่งพานไม่จะเป็นคำหยาบนะฮะคำภาษาไทยเราหยาบไปเอง คือบางทีเนี่ยชาวบ้านกับพระนี่สื่อความหมายกันไม่ค่อยถูกคือชาวบ้านมีความรู้สึกคํานี้มันแรงนะครอย่างคำว่าฉิบหายอย่างเงี้ยชาวบ้านรู้สึกแรงเกินพระไม่ไม่ได้แรงคำนี้ ค, คำนี้ไม่ได้คำไม่ได้คําแรงเลยในภาษาทางศาสนานั้นหมายถึงว่าสิ่งที่มันเสื่อมสลายไปแรงนะเสื่อมสลายมากเราเรียกว่าฉีบหายเท่านั้นเองเสื่อมสลายมากก็เรียกว่าฉีกหายเท่านั้นต้นไม้พังก็คือต้นไม้ฉิบหายนะ ถ้าทั้นั้นนะความหมายเราบางทีเราก็พูดเอ้ยพระนี่ทําไมพูดหยาบมันไม่หยาบนะฮะโดยรูปสาวมันไม่หยาบอะไรเนี่ยเพราะพระจะพูดตามความหมายในภาษาบาลีเท่านั้นเองความหมายภาษาบาลีเรามีอยู่แล้วแล้วภาษาคำว่าจิบหายนี่เยอะเหลือเกินนะฮะใช้พระพุทธเจ้าใช้มากเหลือเกินเราจิบหายในหมู่เพื่อนแล้วเพื่อนก็ดีๆเราเสียคนตรงเนี้ยเราก็จิบหายในหมู่เพื่อนนะฮะวิเคราะห์ตัวเองก็ดูแลโอ้โหคําหยาบ นี่นนี่คือคําบางคำที่ทีมันกระจายเพราะฉั้นผ่านก็เหมือนการผ่นานไปว่าอ่อนนั่นเองเด็กก็เรียกผ่านนะฮะเด็กนี้เรียกวผ่ า, านเด็กาาอ่อน ก, กุมารบาลภาษาบาลีก็คือเด็กอ่อนนั่นเองไม่ไม่ไม่ได้มีหยาบอะไรแต่ว่าในเชตปิตา ม, มันคืออ่อนด้อยในด้านปัญญาเท่านั้นอ่อนด้อยในด้านปัญญาเท่านั้นเองอถ้าผ่านมากมันก็บอดก็เรียกอันตรธานคือบอดไปด้วย แสดงว่าสติปัญญานั้นน้อยนิดเกินไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เราก็เรียกว่าอันธพาผ่านอันถ้าผ่านเฉยๆมันก็ไม่เคยแรงอะไรท่าไร่นะฮะดังดูอย่างพฤติกรรมที่พูดมาทั้งหมดคือการใช้ปัญญาน้อยไปการใช้ปัญญาน้อยไปถ้าพูดโดยภาษาของเราจะฉลาดน้อยนะฮะฉลาดน้อยเอ่อก็ที่จริงก็คือโง่มากฉนะลาดน้อยก็คือกันนะ้นนะ่ะนะนะแล้วแต่จะแปลกลับไปกลับมาเอ่อ ลักษณะของคนพานเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องวิเคราะห์ตรวจสอบดูให้โปรดสังเกตนะฮะพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไอเกี่ยวข้องแต่ห้ามคบเพราะนั้นคำมาคบก็คือการร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมร่วมอยู่ร่วมไปไหนมาไหนด้วยกันนั้นก็คือการครบไม่ได้หมายความว่าคนอันนี้คนคนานอย่ายุ่งเลยเพราะว่าคนพานนั้นบัณฑิตต้องช่วยเขานะ เราก็เป็นสัตว์โลกด้วยกันก็จําเป็นจะต้องช่วยเขาแต่ว่าเราไม่ไปร่วมความคิดกับเขาเขาทําอะไรเขาดื่มเหล้าเราอาจจะไปเทศให้เขาฟังแต่เราก็ไม่ไปลงไปดื่มเหล้าด้วยเอาดื่มด้วยดื่มด้วยแกดื่มดื่ ม, มันดื่มด้วยอย่างนี้ก็เลยจบกันเลยเตีย้ยอุ้มคอมอุ้มกันไม่ได้เนี่ยก็มีคนบางคนก็พูดเหมือนกันว่าสอนอย่างนี้แล้วใครจะช่วยคนพาลก็บอกก็คนบัณฑิตนั่นแหละช่วยคนพาลแหละแต่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับเขา ไม่ได้ไปทำอย่างที่เขาทำไม่ได้พูดอย่างที่เขาพูดไม่ได้แสดงพฤติกรรมอย่างที่เขาแสดงไม่ได้มีความคิดอย่างที่เขาคิดเพราะถ้าถ้าเราเป็นเหมือนกับเขาเป็นนะฮะเขาตกหลุมเราก็ตกหลุมแล้วใครจะช่วยใครเราก็ไม่ลงไปในหลุมแล้วเราก็พร้อมที่จะช่วยเขาคือเรายือนอยู่บนบนปากหลุมแล้วก็ช่วยเขาได้นั่นก็คือคนละชั้นคนละภารกิจกันบัณฑิตก็มีลักษณะตรงกันข้ามคนพานประกอบด้วย กุศลกำหนดบัณฑิตก็ประกอบด้วยกุยศลกำหนดคน่านแนะนำในเรื่องไม่ควรแนะนำประกอบในเรื่องไม่ควรประกอบบัณฑิตก็ตรงกันข้ามนะฮะตรงกันข้ามระหว่างมืดกับระหว่างแต่นั้นเองบัณฑิตก็คือจะแนะนำในเรื่องที่ควรแนะนำจะประกอบในเรื่องที่ควรประกอบการประกอบการกระทาในเรื่องดีเป็นลักษณะของบัณฑิตบัณฑิตจะเพ่งโทษเฉพาะตัวเอง อย่างไปวันก่อนที่ไปที่ครูก็ถามปัญหาถามปัญหาในลักษณะนี้อามาก็ย้อนอย่างที่เคยเคยล่าฟังทีหนึงวันก่อนว่าติเขาเขาบอกว่าพระเทศหนังสือไม่เทศอ่านหนังสือไม่ค่อยไม่ค่อยชัดนะอ่านนังสือไม่ค่อยคร่องไม่น่าฟังอามาก็ขอให้คุณครูแกคิดอกก่ะวันก่อนที่จะมาเป็นพระนั้นมาจากไหนวันก่อนก็ไปเจอทางภาคเหนืออีกถามอย่างนั้นอีกแล้วก็ถามอีกถามอีก เรสอนเด็กมาอย่างไงอะตั้งแต่ปหนึ่งตั้งแต่อนุบาลนจนถึงจบมจบปหจบมสามจบมหกันอย่างอ่านหนังสือไม่ออกแต่สอนมาตั้ง10กว่าปีอ่านไม่ออกแล้วเราจะมาสอนั้งสเดือนอ่านออกมันก็เราก็ไม่แต่นี่รามิดเอาเนี่เราก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบแต่กว่าเราตั้งต้นมาดีฮะตอนปลายมันก็ดีตามไปนี่ก็คือเอ่อต้องมองกลับต้องหันไปเพ่งโทษดูโทษของตัวเองอีกทีหนึ่งด้วยนะฮะว่า สิ่งเราที่เรากล่าวตำหนิดีเตียนไปนั้นเราเรารับผิดชอบด้วยหรือเปล่าอามายังนับถือครูก็มาที่สมัยเป็นเด็กนะฮะสมัยเรียนปถมเวลานี้เด็กแถวแต่นั้นที่เกะกะอะไรอามาได้ยินท่านพูดหลายครั้งและยังชมนั่นให้ hey, ตอนแกเป็นนักเรียนเราสอนแกไม่ดีเองอะเราสอนแกไม่ดีเองเราต้องโทษเราด้วยอเด็กไปเที่ขโมยขียโจรไปเที่เกะกะร่ารานบางคนก็ติดคุกติดตาราง คือคอแทนที่จะโทษเด็กอย่างเดียวครูก็หันมาโทษครูด้วยวเราก็สอนเขาไม่ดีเพราะงั้นผิดพลต่างๆภายในทั้งคมที่เกิดขึ้นดังกล่าวลนี่ถ้าเรามองกันในแง่ของความรับผิด ช, ชอบก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิด ช, ชอบร่วมกันไม่ใช่ว่าคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องรับผิด ช, ชอบเท่านั้นเพราะว่าเราก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคมเหล่านั้นในตระกูลนั้นในประเทศชาตินั้นในวัดวาอารามเหล่านั้นเหตุเกิด ทางด้านบวกและด้านลบเราก็รับด้วยกันเวลาจะแก้ไขก็ทั้งช่วยกันแก้ไขแม้ในเรื่องของพระศ า, าสนาอย่างที่เคยกล่าวแล้วว่าภารกิจการรับผิดชอบพระพุทธศาสนานั้นโดยหน้าที่จริงๆไม่ได้ไม่ไม่ได้เฉพาะพระนะฮะไม่ได้เฉพาะพระเท่นั้นพระก็คือคนอาสาสมัครเข้ามาบวชโดยมุ่งขนทางสายหนึ่งแต่ว่าเป็นพุทธบริษัททั้งสี่รู้จักใช้คําว่าพุทธบริษัทสี่ไม่ใช้คําว่าภิกษุภิกษุนะฮะ รร ใ, ชใช้คำว่าพุทธบริษัททั้ง4แต่ถ้าใช้คําว่าภิกษุคํารวมก็มีจะใช้คําว่าภิกขเวภิกขเวก็คือผู้เห็นภัยในสังสารวัตรทั้งหลายเห็นภัยในความชั่วความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นการพูดรวมทั้งหมดนะฮะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งนักบวชทั้งผู้ครองเรือนลักษณะของบัณฑิตก็เป็นเช่นนี้คือตรงการข้ามนะฮะมาถึงจุดนี้ก็คือเราไม่ครบ ฝ่ายหนึ่งแต่เราคบฝ่ายหนึ่งโดยอาศัยเงื่อนไขยังไงคือสิ่งที่เรียกว่าอาศัยวณัปจัยคือการเกี่ยวข้องคบหาสมาคมทีนี้การบูชานั้นได้แก่การยกจ้องการเชิดชูการยอมรับนับถือหลักความคิดเหตุผลต่างๆยอมรับความดีของท่านเหล่านั้นก็ต้องดูเหมือนกันว่าคนเช่นใ ด, ดที่เราควรบูชาหรือไม่ควรบูชา พระเจ้าได้เล่าตัวอย่างถึงปริพาชคคนหนึ่งนะฮะคือท่านเดินไปแล้วไก่แพะตัวหนึ่งเนี่ยมันดุมันมันก้มคอลงจะขิดไอปริพาชกคนนึกว่ามันโค้งแกทั้งก็ก้มก็ไปไก่ขาก่รับโค้งอ่ะพอดีก็ได้จังหวะเลยแพะขวิดโครมเดียวเลยก็ตายไอพระเจ้าบอกว่าเนี่ยก็ไ ป, ไปไปยกย่องไปบูชาไอคนที่ไม่ควรบูชาหรือสัตว์ที่ไม่ควรบูชาแทนที่จะได้ประโยชน์มันก็กลับเกิดโทษแก่ตัวเอง การบูชาก็ต้องเลือกต้องเลือกคนว่าคนไหนที่ควรแก่การบูชายกจ้องอลักษณะเหล่านี้ท่านท่านจะเห็นว่าโดยโดยเชิงส่วนหนึ่งนะฮะถ้าส่วนหนึ่งส่วนบันไดแรก ก, ก็ก็เราก็ว่ากันตรงตัวอย่างนั้นแต่ถ้าส่วนที่หมุนกลับมาอีกทีหนึ่งอย่างที่บอกนะฮะว่าธรรมะเอากระจิงจะมีลักษณะหมุนทั้งหมดเหมือนเราเริ่มอิทธิบาทเราพอใจในสิ่งนั้นใช้ความเพียรพยายามในสิ่งนั้น ใ, นใจจดจ่อในสิ่งนั้นใช้ปัญญาวิเคราะห์ เหตุผลในสิ่งเหล่านั้นนั่นก็คือชั้นที่เราเรียกว่าเริ่มต้นแต่พอถึงการปฏิบัติจริงๆแล้วแท้ที่จริงก่อนจะเราพอใจเราต้องใช้ปัญญาแตยก่อนไม่จะวันนิ่งนจะพอใจพอหมุนกลับไปทีก็ใช้หนุนกันไปตลอดเลยทั้ง4ข้อหมุนช่วยกันตลอดอไม่แยกเดี่ยวๆไม่ได้ธรรมะบางธรรมะบางอย่างเป็นชุดนะฮะเป็นชุดจะต้องหมุนกันอยู่อย่างแต่บางอย่างแยกเดี่ยวเช่นว่าพรหมิหารนี่แยกเดียวนะฮะ คือคือคือไปทำทีเดียวต้องสี่ข้อไม่ได้ต้องปฏิบัติทีละข้อเท่านั้นโดยไม่ใช้ทีเดียวสี่ข้อไม่ได้เห ม, ออออมือนกับกำช้อนในตักรวบปุ๊บก็ทั้งช้อนทั้งซ้อมปนกันมันก็ใช้ไม่ได้ต้องใช้ทีละอย่างแต่อย่างอิธิบาทเนี่ยเขาจะหมุนกันเองเลยเรียกว่าธรรมะที่หนุนช่วยกันหนุนช่วยกันในกรณีนั้นกรณีเดียวกันนี้ใช้ธรรมะทีเดียวสี่อย่างแต่มันจอ่อโดยเรื่องไหนก็ตามแล้วก็เสร็จแล้วจะหนุนช่วยกันในสี่ข้อเหล่านั้นแต่บางอย่างจะโดดเดียว เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนจึงใช้อย่างองื่นในแต่ละจุดจะใช้ข้อนั้นเท่านั้นจะไปใช้ข้ออื่นไม่ได้ถ้ากลุ่มพวกนี้จะต้องหนุนกันก็ต้องว่ากันเป็นข้อๆไปนะฮะลักษณะข้อธรรมะเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเราไปเริ่มจุดของการบูชานะฮะในจุดแรกก็คือเลือกท่านที่ควรแก่าการบูชาการยอมรับนับถือการยกจ่องเชิดชูท่านเหล่านั้น ว่าเป็นผู้ที่ควรเก่กับการส ก, การะบูชาเมื่อบูชาไปแล้วตนจะรับผลจากการบูชาไม่ใช่บูชาแล้วก็เป็นความศูญเปล่าซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยเในข้อนี้อย่าไปคิดได้แรงเกินไปนะฮะอย่าคิดได้แรงเกินไปว่าขนาดจะไปะมีอะไรพรานพระภูมิก็ไม่ได้จะนับถือเทวดาก็ไม่ได้ถือว่า บูชาผู้ไม่ควรบูชาไม่ใช่อย่างนั้นถ้าระดับหนึ่งก็ท่านเหล่านั้นก็เป็นเทวตาภลีมันอีกระดับหนึ่งนะฮะอีกระดับหนึ่งพระพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธจะลืม พ, พุทธศาสนามีเทวตาภลีคือไอภลีกรรมต่างๆที่เราจะต้องกระทําต่อเทวดาเพื่อสร้างไอความเป็นมิตรนะฮะความเป็นมิตรระหว่างมนุษย์กับเทวดาเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องปัจจัตังถ้ามา บ, บุคคลพอสมควร คือใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านเหล่านี้มากหลักการครองเรือนจะพร ะ, ระพุทธเจ้าไม่ทิ้งพวกนี้นะฮะเทวตาพารีนี้ไม่ทิ้งหรอกแต่บางองค์ใ네นท่านป่าวๆว่าๆไปท่านว่าอย่างนั้นฮะแต่ถ้าพระพุทธเจ้าว่าแล้วท่านพระพุทธเจ้าไม่ทิ้งอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> เทวตาพารีต้องมีสำหรับการครองเรือนระหรับผู้ครองเรือนเพราะเราต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อยู่พระเองไม่ต้องถึงเทวตาพลรีแต่ต้องสร้างไมตรีไมตรีจิตต่อเทวดา ก็นอนอะไรเราขึ้นมาจังไอการให้อะไรกรวดน้ํากรวดอะไร อ, อะไรที่เรากรวดมาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นลักษณะของเทวตาผลีอยู่ตลอดต้องสร้างกัญยาณจิตต่อต่อท่านเหล่านั้นเป็นหลักการครองเรือน5ข้อนะฮะแล้วก็ประกอบด้วยพรีกรรม5อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ซึงควหมายความว่าท่านเหล่านั้นก็อยู่ในฐานะที่ควรบูชาประการหนึ่งแต่ไม่ใช่บูชาลักษณะที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจไปนั่งขู่ต้นไม้เพื่อขอขวยอะไรอย่างเงี้ อย่างนั้นออกจะมากไปหน่อยออกจะมากไปการยอมรับนับถือสถานะของท่านเหล่านั้นแล้วก็ให้เกียรติยกย่องตามสมควรแก่ฐานะจะเป็นสิริมงคลสําหรับตัวเองอย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่มีปฏิฆาจิตนะฮะไม่มีปฏิฆาจิตไม่มีริษยาแม้ต่อเทวดาซึ่งไม่ได้ทําอะไรให้แก่เราเพื่อก็ช่วยคุณภาพจิตเราดีขึ้นนะะแทนที่จะไปด่าว่าไปอะไรเทวดาเหล่านั้น จึงอาจจะท่านอาจจะไม่ทำอะไรเราแล้วแต่เราก็เป็นวนจีทุจริตไปเปล่าๆมันไม่ได้เรื่องอะไรคุณภาพของใจเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดต่มลงนี่ก็ถือว่าชุดหนึ่งถือว่าแต่ละจุดนั้นเป็นอุดมมงคลในจุดในตัวเขาเองนะฮะในตัวในตัวเขาเองคือการไม่พบคนพานก็เป็นอุดมมงคลจุดหนึ่งการคบบัณฑิตก็เป็นอุดมมงคลจุดหนึ่งแล้วก็การ บูชาผู้ควรบูชาก็เป็นอุดมมงคลจุดหนึ่งเอ่อก็เหมือนอะไรนะเหมือนอริยมรรคมิองแปดท่านจะเห็นว่าอริยมรรคพิองค์8นั้นถ้าเต็มที่ข้งเขาคือปฏิบัติสมบูรณ์บรรลุมรรคผลไปเลยแต่ถ้าเราแยกมาทีละข้อเลยนะเอาปาณามาข้อหนึ่งก็ปาณาตัวเองนั้นเองนะฮะเป็นอริยมรรคเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของอริยมรรคเวลาปฏิบัติแล้วก็คอเกิดผลเป็นความสุขความสงบเพราะงั้นบางทีพระพุทธเจ้าสอนแม่ค่าอยังไง สอนไม่ค่าอย่างเดียวสอนพูดคําสัตว์อย่างเดียวนี่ก็แยกเดียวออกมาเลยแยกเกี่ยวออกมาเป็นการปรับฐานไม่ใช่ว่านิ่งๆปรับๆขึ้นไปทั้ง8ข้อมันก็เป็นไปไม่ได้สมรับคนไต่อันดับพระพุทธเจ้าไม่ให้มากเอาอย่างนี้ข้อเดียวนะเอานี้ข้อเดียวอย่าฆ่ากันนะฆ่ากันอย่าไปรักทราพย์กันอะไรเพิ่มๆกันไปเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มไปนะเหมือนก่ออิฐสร้างตึกเ่ยมันก่อกันทีละแผ่นนั้นเองเสร็จแล้วเป็นตึกได้พยายามก่อๆไปเรื่อยๆกันทั้งกัน การปฏิบัติอย่างนี้ต้องใช้คํำว่าสาตัดจักิริยตาคือหมายความมีการกระทําในลักษณะที่สืบเนื่องติดต่อเหมือนกับสร้างตึกสร้างอาคารเราเขาทำติดต่อไปมันก็เพิ่มเพิ่มขึ้นมาเออินทิละแผน่นทีละแผ่นก็เพิ่มเพิมขึ้นไปในสุดก็กลายเป็นอาคารเป็นตึกใหญ่ที่จะอยู่อาศัยได้การประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ละส่วนนั้นอย่าลืมว่าเป็นอุดมมงคลด้วยตัวเขาเองนะฮะแล้วก็ เมื่อสามแรงแข่งขันก็เป็นอุดมมงคลมากยิ่งขึ้นนะฮะไปการต่อไปก็คือเกี่ยวกัสถานที่ถ้า อ, อยู่ในประเทศที่เหมาะที่ควรเขาเรียกว่าปฏิรูประเทศปฏิรูประเทศมีลักษณะอย่างไรโดยพื้นฐานในการปฏิบัติแล้วจะต้องมีพระรัตนาตรัยมีนักปรารถราชบัณฑิตเพราะว่าเราเป็นคนเกิดใหม่นะฮะเป็นอนุชนเกิดตามเข้ามา เกิดทีหลังเขาจะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นจากท่านเหล่านั้นเพื่อสามารถยืนหยัดอยู่ในโลกนี้ให้ได้ปฏิรูปประเทศในป้าหมายจริงๆว่าประเทศใดก็ตามที่มีพระรัตนตรัยอาศัยอยู่ปรากฏอยู่เผยแพร่อยู่ประเทศนั้นก็ชื่อว่าปฏิรูปประเทศสําหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเวลานี้เราก็ได้พบได้เห็นแล้วว่าคนไทยเมื่ออยู่ในเมืองไทยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพารัตนาไตรเท่าไหร่แต่ว่า มีคู่มีอยู่เป็นจํานวนไม่น้อยพอแกออกไปอยู่ต่างประเทศแกเกิดขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็ต้องไขวยคว้าสแสวงหากันไปเวลานี้รคขนพระพุทธรูปออกไป ต, ต่างประเทศกันเยอะนะฮะโดยเฉพาะที่ฝีมือคนไทยไม่นับที่คนไทยตัดประเสีนขายขครื่งหลังออแต่ก็มีคนไทยจํานวนไม่น้อยเหมือนกันที่ออกไปแล้วก็ยังไปชื่นชมของเครื่งังอยู่ยังไม่หันมานิยมออพระรัตนใจซึ่งเป็นสมบัติมรดกของของตัวเอง ทีนี้จุดนี้นะฮะท่านจะเห็นว่าในกรรมฐานที่เราเคยพูดเรื่องเรียกว่าเสนาธนสปายะคือที่อยู่ที่อยู่ที่อำนวยให้เกื้อกูลให้เกิดความสบายดังนั้นคำว่าปฏิรูประเทศจึงไม่ได้มีความหมายเฉพาะนี้แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะอาชีพของบุคคลว่าอยู่ตรงไหนที่สบายมีความสะดวก ไปมาได้ดีทาํามาค้าขายได้ปฏิบัติภารกิจได้มีความคล่องตัวไม้มครับขั้งโดยการจราจรอะ ไ, ไรต่รเนี่ยมันก็กระจายตัวเองออกไปในคําว่าปฏิรูปประเทศเนี่ยก็ทำให้สถานที่บางแห่งปฏิรูปประเทศสมัครบุคคลหนึ่งแต่ไม่ปฏิรูปประเทศสมัครบุคคลหนึ่งเช่น ส, บบ น, นสมมุติว่าป่าช้าเนี่ยป่าช้าเป็นปฏิรูปประเทศสมัครพระที่ไม่กลัวผีและมีราคาจริตมันเหมาะสมัครพันธุ์เหล่านี้ถ้ามีราคาจริตแล้วก็ไม่กลัวผีด้วยนะต้องมีสองอย่าง การจเจริญกรรมฐานในป่าช้านี่เหมาะที่สุดเลยเพราะอารมณ์กรรมฐานดีมากนะฮะสงบได้มากนะฮะเดี๋ยวเวลาเวลานิมิตเวลาผีเข้ามาเยี่ยมเยน็นตอนรับใคยดีๆก็แล้วกันเดี๋ยววิ่งหนีเอ่อก็ช่วยช่วยอะไรมากก็เป็นปฏิรูปประเทศสําหรับพัฒนแต่ว่าถ้ามาบางคนก็ไม่เป็นปฏิรูปประเทศสําหรับคนนั้นนะฮะบางทีก็เป็นนั่งขนลุกขนพองตัวสันอยู่ก็นั่งกรรมฐานไม่ได้ ขอบคายของปฏิรูปประเทศจึงถือว่าเป็นเงื่อนไขที่จะดึงดูดไอสิ่งที่เกื้อกูลแก่ตนและเํานวยความสุขให้แก่ตนได้ด้วยการอยู่ในที่ใ ด, ดโดยการโดยโดยสรุปนะว่าการอยู่ในที่ใดสามารถสร้างสิ่งที่เป็นการเกื้อกูลอํานวยความสุขให้แก่ตนได้ก็ให้อยู่ในสถานที่นั้นแต่ก็หมายความว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรม นี้ก็เป็นบงคลอีกข้อนหนึ่งในบงคล38ประการนะฮะลักษณะของปฏิรูปประเทศจึงจึงกระจายตัวตัวเองออกไปบางครั้งบางคราวเราก็อาจจะเรียกว่าทําเลสร้างวัดวาอารามเข้าท่าเข้าทางอย่างที่โบราณก็พูดกันนั้นก็อยู่คงอยู่ในเงื่อนไขของปฏิรูปประเทศมันเป็นการครอบคลุมพฤติกรรมของบุคคลทั้งหมดแต่ว่าจุดเดิมจุดเริ่มต้นของประเเกชนเพราย่างอย่างที่บอก บอกแล้วว่าจุดแรกนั้นเป็นการเริ่มที่ปัิจกคชนไปก่อนปฏิรูปประเทศที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีพระราชณาใจหลักธรรมคําสอนซึ่งเป็นประทีพสองทางชีวิตของบุคคลมีการเผยแพร่ปรากฏอยู่ในสถานที่นั้นคนไปอยู่ในสถานที่นั้นแล้วจะต้องได้รับประโยชน์มีก็แม้ต้องได้ประโยชน์ด้วยไม่ใช่ลักษณะของทัพพีที่อยู่ใกล้แกงหรือว่าตักแกงแต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากแกง เพราะบางครั้งบางคราวแม้แต่ยุคพุทธกาลเองคนก็อยู่ในใกล้พระเจตวันแต่ก็ไม่รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีคำว่าปฏิรูปประเทศจึงต้องเดินต่อไปอีกสองข้อซึ่งจะกล่าวในโอกาสหลังสมบัวันนีก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอราธนาคุณพระศรีรัตน์ใได้โปรดดลบันดาลพิบาลรักษาให้ท่านสาธุชนทั้งหลาย ประสบความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยทั่วกันทุกท่านเธอ